you um.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 พอจะมีความรู้สึกตัวเป็นหลักมากรตาคอยดูที่เขาจะแสดงออกสิ่งไหนเขาแสดงออกเขาแสดงว่าเราได้เห็นแล้วเราได้ดูแล้วเป็นเรามีสติดูดกายเคลื่อนไหวเป็นนิมิต นี่มันเกิดความหลงขึ้นมาเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความรู้ความหลงมันเกิดขึ้นเป็นความง่วงเผลอหอนอนามคิดฟุง้งซ่านเราก็ได้รู้หลงไปในความคิดเราก็รู้แล้วว่ามันหลงมันไม่ใช่ความรู้ก็บอกตัวเองสอนตัวเองเราก็ได้เรียนรู้เรื่อยไปหลักของเราก็ดูอยู่ เหมือนก็เราอ่านตำราเราลท่องหนังสือบางทีมัก็วอกคิดไปทางอื่นแล้วก็กลับมาท่องหนังสือจิดใส่ใจตามสำรับลำนำดีๆมันจึงจะติดมันจึงจะเป็นวิญญาณวิญญาณแห่งความรู้สึกตัวไม่ใช่วิญญาณแห่งความหลง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 แต่เวลานี้ขอเถอะขอโอกาสเวลานี้เรามาเจริญสติไม่ใช่เวลานี้ไม่คิดถึงลูกถึงหลานเวลานี้ไม่ใช่เวลาทำมันอื่นเรามาเจริญสติขอสงวนเวลาขอสงวนลิขสิทธิ์ให้ท่านก็ว่าอย่างนั้นให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวมันจะได้บทเรียนเยอะแยะไปหมดเลย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 เวลามันหลงขึ้นมาเวลามันคิดขึ้นมาก็บอกตัวเองก็กลับมากลับมาหาฐานมาหาที่ตั้งมันจะได้เรียนตรงนั้นแหละเช่นมันหลงคิดไปก็กลับมาหากายที่เคลื่อนที่ไหวอยู่นี่งอเงาหอนอนก็กลับมาหากายที่เคลื่อนที่ไหวอยู่นี้ให้มันทันทีทันใดตรงกันข้ามพอดีพอดี อา จ, จมันตรงกันข้ามมีโจ์มีจำเลยความหลงเป็นโจ์สติเป็นพิภาคษาตุลาการถ้าใจถ้ากายเป็นจำเลยของความหลงแล้วก็แย้ต่างมันเคยหลงมาเรียกว่าแย้ต่างมันกับพิภาคษาตุลาการที่จะสร้างความเป็นธรรมกระบวนการแห่งความเป็นธรรม เพราะว่ากายใจของเราเนี่ยมันคอบงำมันเป็นจริตนิสัยมานานแล้วบางทีมาง่ายที่จะหลงอเรามาดูจริงๆหนะ่ะชีวิตเราเนี่ยความหลงมันจะมากกว่าความรู้สักตัวโดยท่าไปพอมาสร้างความรู้สักตัวเนี่ยโจย์คือความหลงก็จะมาแย่งเอากายเอาใจให้ไปคิดให้ไปเป็นทาสของเขา เราตั้งใจจะสร้างความรู้สึกตัวอยู่ทีๆอ้าวมันง่วงขึ้นมามันไม่ยอมให้รู้มันดือน้อควง่วงเน่ยหมือนกับมันดือ้อความดื้ออยู่ในชีวิตเราหรือเหมือนกับลูกของเราหลายคนลูกบางคนก็นดือ้อลูกบางคนก็นด้านลูกบางคนก็นสุกซนความง่วงหมายถึงมันดือ้อมันด้าน มันก็บลูกที่บอกมันไม่เชื่อไม่ฟังแต่ก็พยายามแต่มันไม่เหมือนกับลูกเก่งๆเพราะมันอยู่กับเรามันเป็นเรื่องของกายของใจเรามันก็อยู่กับเราแต่ลูกที่เป็นลูกตัวเราจริงๆมันก็อยู่คนละที่ละทางกันบางทีเราก็ไม่ได้เห็นมันทำผิดทาถูกหลกหูหลบตาเราไม่ได้ยินเราไม่ได้เห็นแต่ตัวเราดิเห็น ูเห็นทุกโอกาสถ้าจะมีสติเป็นดวงตาคอยดูแลคอยตรวจสอบคอยทักท้วงคอยโต้ตอบคอยบอกคืนคอยบอกกลับสอนให้มันรู้คนละเรื่องกันวางหลงกับความรู้คนละเรื่องกันให้ใส่ใจตรงนี้ให้มันเห็นความหลงชัดเจนเห็นความรู้ชัดเจนความหลงเป็นอันหนึ่งความรู้เป็นอันหนึ่ง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 ถ้าไม่เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ไม่ใช่นักปฏิบัติแต่นั่งหลังผลหลังงอจะเดินจงกรมจนฝ่าเท่าแตกเหมือนพระรัฐบาลพระจัาพุบาลพระรัฐบาลใช่เดินจงกรมจนฝ่าเท่าแตกแต่ด้วยความอยากความอยากรูก้อยากเห็นรีดกายจน ไม่มีเวลาพักผ่อนเดินจนฝ่าเท้าแตกเพราะอยากรู้อยากเห็นเทงเครียดบุกเบือนเอาส้นเท้าเดินส้นเท้าก็แตกเอาปลายเท้าเดินปลายเท้าก็แตกเอาข้างเดินข้างเท้าก็แตกรอยเดินจงกองเป็นรอยเลือดไปเลยันที่สุดท้อใจลาสิกขาพระเจ้าก็ทราบ เรียกมาถามมาสนทนาธรรมด้ถามรัฐบาลรัฐบาลนี่เป็นหนุ่มสมัยเป็นหนุ่มเป็นนักดนตรีปีพินสีโซต่อถามว่ารัฐบาลเวลาเธอทรงดนตรีนะ่ะถ้าสายพินของเธอตึงเกินไปมาจะเพราะไม้ไม่เพราะพระเจคค้าขา ย่อนเกินไปมันจะเพราะไหมไม่เพาะพระเจ้าค่ะแต่ทำอย่างไงมันจึงจะเพราะเอาเพอดีพอดีแม่เธอปลาลบความเพียรก็เช่นกันรัฐบาลเอ้ยเธอตึงเกินไปเธอย่อนเกินไ ป, นไปมันก็ไม่ในความพอดีเห็นเดียวกันเธออย่าไปอยากยากล้อยากเห็นอะไรมาก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 มันจะเกิดความพอดีนี่การปฏิบัติธรรมสตินี่ที่เราสร้างเนี่ยช่วยเราว่าแต่เราสร้างให้มันมีว่าแต่เราสร้างให้มันมีแต่มันไม่มีมันก็ไม่ได้ใช่เหราอนเราไม่มีเงินมันจะได้ใช่อะไรเหี่ยวตายเราต้องหาเราต้องสร้างขึ้นมาหลายขี้เกียจขี้ค้านคนขยันก็หาทรัพย์ได้คนเกลียดข้านก็ยอนอนเป็นพุก การปฏิบัติทำก็เหมือนกันเราทำได้จริงๆอีกมือยกมือเคลื่อนไหวมือรู้สึกตัวได้รู้สึกตัวได้ตั้งต้นจากความรู้สึกตัวได้น้อยที่มีเจตนาอเอามาไว้กับกายที่มันเคลื่อนมันไหวเริ่มต้นตรงนี้ต่อไปต่อไปมันจะมีฐานมีเทตั้งมันจะมากขึ้นมากขึ้นเป็นมหาลูว่า ม, มันเป็นมหาลูเราเอาแล้วาัญญา เราสมมุติเรามีเงินมีทองเราก็สามารถที่จะขยายธุรกิจของเราออกไปได้แต่ก่อนหาเงินสิบเงินห้าเงินสิบออกไปอาจจะหาเงินร้อยเงินพันอาจต่อไปอาจจะไปหาเงินหมื่นเงินแสนเหมือลวงปู่เทียนพูดสมัยหลวงพ่อไปปฏิบัติกับท่นานหลวงปู่เทียนพูดว่าหาเงินร้อยเงินพันหาไม่เป็น ไม่รู้จะหาแบบไห น, นแต่ว่าหาเงินหมนื่นเงินแสนในี่หาง่ายท่านบอกว่าใช่ น, น, บบนั่นเาก็เชียร์แบบนการปฏิบัตธิธรรมก็เหมือนกันหาเงินหมนนื่นเงินแสนหาอย่างไงมันมีให้หามันมีถ้ามีสติขึ้นมากๆมากๆ ม, ม, ม, มันก็มีมีญาณมาช่วยมีสมาธิมีปัญญามีมากเข้ามาช่วยคนมีเงินไม่ทองเงินมันก็หาเงินเอง เงินมันลงทุนปัญญามันลงทุนมันหาไปเองจากอนอนได้มาจากอันนี้ได้มาหลายเรื่องหลายราวหาหลายๆอย่างก็ได้มารวมกันเข้ามากขึ้นมากันแต่ก่อนในทางก็พาให้เราหลงหูมันก็พาให้เราหลงจมูกเล่นกายใจมันก็พาให้เราหลงต่อไปต่อไปต่อไปเมื่อมันรู้แล้วตาก็พาให้รู้หูก็พาให้รู้ สมองเลี่ยนกายใจก็พาให้เรารู้มันช่วยเราศีล ส, สมาธิปัญญาเขาคุ้มครอ ง, องป้องกันรักษาเราญาณปัญญาก็เกิดขึ้นมาสนับสนุนอ่มันกป็นแนั้นมันได้ความสมสัดสมส่วนได้พลังงานเนี่ยมันเป็นไปเองแต่ว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันจะยากอยู่สักหน่อย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 ยอนลงไปสักหน่อยหายใจโลง่ลงๆมองในแง่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมองในแง่ดีๆมันตึงเพื่อจะหย้อนย้อนเพื่อที่จะสอนตัวเองเหมือนกับเราเพิงขัดวกวคายจับพวายใหม่วัวใหม่มันวิ่งเตลิดเปิดเปลงวิ่งแรงแล้วก็ย้อนไปแล้วก็ดึงกลับขคืนมาถ้าไปตึงเวลามันวิ่งมันเจ็บทั้งสองส่วน อาจจะเชือกขาดอาจจะมือขาดก็ได้แล้วเมื่อมันเจ็บมากาก่อยที่มันสนตะไครมันมันเจ็บมากๆมันก็ดิ้นมากๆมันก็ดิ้นมากๆเมื่อมันดิ้นมากๆมันก็พย์มันก็พย์มันไม่ให้เราเกี่ยวข้องกับมันเห็นเราสนตะไายคก่อยเนี่ยน้องพ่อเคยนักสนตะไคร่ว่ยสนเข้าขั้วภส่าบะเงาเนาะ ขนเข่าคั้วถ้าไปจับบางไงบักโต้ตึงเตืองเตืองมัดมันก็ดิ้นแหละไปค่อยลูบคำมันก็ชอบอยู่ดรอกไปค่อยลูบคำไปลูบคำแล้วก็ค่อยจับค่อยลูบค่อยสอดเข้าไปมันก็ให้ให้เราทําอยู่เป็นเราไถนาเข่าคว้วมันขาดถ้าไปมัดไปดึงมันมันก็ไม่ชอบมันค่อยลูบค่อยคำเทีหลังเทหลังมันจะยื่นจมูกมาให้เราเลย ว่าแต่เราก็ค่อยสอนมันก็หัดได้นะการหัดการสอนตัวเองเขามันกับมันไม่ก็ไม่ชอบรุนแรงกันตึงเครียดเกินไปเลยเอาเก่งเอาจังก็ไม่ใช่นะต้องรู้จากจิตหลีบของตนเองปล่อยปล่อยจดจดเย็นเย็นให้เวลาอเช่นทะ่านนั่งเนะี่ะบางทีอยู่ๆเราจะมานั่งให้มันนานมันกับลวงพ่อนมันไม่ได้ปวดขาปวดแขนก็ยืดตัวหม่อยพักใหม่ ชือต in ัวใหม่วางกายวางใจวางใบหน้าบางจิริยาอาการต่างๆก็ค่อยสอนไปค่อยยกมือเคลื่อนยกมือไว้ทําใจไปด้วยทํากายไปด้วยทําความรู้สึกตัวไปด้วยให้มันเป็นปรีเป็นขุยไปถ้าหัดไม่เป็นก็เป็นศัตรูกันนะเรจะเจริญสติที่ได้โอ้ยมันยุ่งยากเหลือเกิน มันเรื่องใหญ่ก็จะนั่งที่ไดโอ้ยมันใหญ่เขาจะนั่งไม่ได้จะทําได้หรือเปล่าจะทําได้หรือเปล่าจะอยู่ได้จบคอร์ดหรือเปล่าเจ็ดวันหรือเปล่ามันคิดไปเ พ, พาราะว่าทาก็ยากจริงมันคิดตั้งท่าตั้งทางอะไรเกินไปไม่ได้คล้อยเป็นค่อยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรตะพื้นตะพื้นไปทําได้ก็ไม่เป็นไรทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่หัดธนูถนอมหัด เคียตัวเองอย่าลงโทษการปฏิบัติธรรมอย่าไปลงโทษให้ทําไปบางทีจะแวเอาคนอื่นมาเป็นเจนที่วัดเรามันก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องมีตัวเราต่างหาเขีนท่องหนังสือคนหนังก็ท่องจําได้ดีไปหน้าหนึ่งแล้วเรายังไม่ได้ถึงว่าสองแถวสามแถวเราก็จะมารีตัวเองก็ยากเฝ่าๆ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 ห้องท่องกันนะครัวอวาดวินัยบรรดาทุนสัตว์แต่อย่างนี้เสยสีกรณีสสกิบปัจจัยเครื่องอาศัยโคงการเช่นเรื่องนี้เสียสี่อย่างก็เป็นระบาดดังว่ากันไปว่ากันไปอา้าแทบเดียวเขาไปได้แล้วสองใบสามใบเรายัางท่งไม่ได้ก็เครียดขึ้นมาเล่งตัวเองรีดตัวเองยิ่งแต่ปตปตเปตปะตะเปตปะไปเลยเมื่อรีดตัวเองมาว่ า, มาไม่ได้เราต้องรอได้คอยได้ยุดได้เย็นได้คอยตั้งคอยทําไปเอาไปมามันก็เจิงเหมือนกัน ขา้นปฏิบัติทำกันมันกันของทีเนนน้อยมาถามเราสมัยเราเป็นโยมไปปฏิบัติเพราว่าเนนน้อยบอกว่าเขาปฏิบัติเพียงเกตวันเขารู้จักรูปตามเจ้ามาปฏิบัติเราตั้งสิบมือเรายังบ่รู้จักรูปนามเจ้เหตุยังได้อยู่เราก็อ่าลงโทษตัวเองตกใจมาเนนมาว่าอย่างนั้นเร า, เราตกใจ เอ้เราเป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่าทำไมเราไม่โลภทำไมเราไม่โูภเน้นตัวเล็กๆทำไมเขาโลภกขาไม่คิดแบบนั้นก็เลยไม่ได้ไปคิดแบบนั้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนไม่เป็นแล้ฮะเขาจะทําไปอย่างนี้แหละโลูกก็ไม่เป็นไรต้องเน้นเอยไม่โลภก็ไม่เป็นไรจะทําอยู่นี่แล้วอไม่โลภก็ไม่เป็นยังดอกอ่อยทําไปอย่างนี้แล้วยัยมันดี เวลามันให้โอกาสเราใจดีมันพร้อมทำไปอา้ามันหลงที่ไรไม่ใช่เรามาสร้างความรู้มันคิดทั้งบ้านทั้งสองมันคิดไปหล่อนเอาไม่ใช่เรามาสร้างความรูมม้ไม่ใช่เรามานั่งคิดชมมั่วโมงเลยเราเป็นชั่วโ ม, มงที่เราเดินจงกรมรู้จักตัวชั่วโ ม, มงนี่เป็นชั่วโ ม, มงเราสร้างสตินี่เราก็สอนตัวเองค่อยสอนไปพอบอกตัวเองไปพอบอกตัวเองไปบอกความรู้ความหลง มันหลงคิดไปเอาใหม่ใช่เวลานี้เรามาสร้างความโูภความโลภก็คืออย่างนี้เดินไปอย่างนี้รู้จักตัวอย่างนี้รู้จักตัวอย่างนี้ตามไปโอ้นี่คือความโูภโอ้นี่ยความโลภโอ้คิดไปหลงโอ้ดั้นตัวหลงโอ้ตัวรูปตัวรูปเดินอยู่นี่คือรูปเดินอยู่นี่คือรูปรู้จักตัวอยู่นี่เป็นตัวรูปตัวนามเห็นรูปเห็นนามทันทีนะฮลิกล็อกหน่อยเดียวแต่ก่อนคุมเกินไป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 โอ้นี่คือลูกยกมือโอ้นี่ลูกโอ้มันแก้กันเองไม่ต้องไปใช้สมองไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่เป็นรีดตัวเองบังคับตัวเองมันแก้กันไปในตัวระหว่างความโลภ ก, กับความหลงระหว่างความทุกข์กับความไม่ทุกข์กัมันกันนะนี่การปฏิบัติมันมีมาแก้ในตัวของมันเอง มันเป็นธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าเราทำถูกอย่างที่เราเรียนรู้มักนะะมักต้อง ค, อคือดำเนินไปเรื่อยๆือนเราก้าวเดนินเดินไปแต่ละเก้าวมันเป็นการก้าวถูกต้องอยู่แล้วไปคิดทำไมเมื่อไหร่มันะไไมจะถึงเมื่อไหร่มันะไไมจะถึงไม่จำเป็นต้องคิดเลยแค่เราเดินจาก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 แต่เก้าแต่ละเก้ามีความหมายไม่ต้องไปคิดว่าอะไรมันจะถึงอะไรมันจะถึงการปฏิบัติธรรมกวนการลู่สึกตัวลู่สึกตัวแต่ละลู่แต่ละลู่อยูลล่นี้มีความหมายมากมันไปจากอะไรมันไปจากความหลงเราทําอยู่แล้วเป็นกรรมอยู่แล้วกรรมมันจะลิขิตอยู่แล้วให้ทําอย่างนี้การปฏิบัติธรรมพอทำเราลงไปหนึ่งไม่แต่ความคิด ทำผิดทำถูกผิดก็โอ้ยถูกก็โอ้ยความผิดความถูกสัดเราพอๆกันการกระทบเท่าๆกันแต่ถ้าว่าเราพิดล็อกสักหน่อยเห็นมันผิดเห็นมันถูกอันเนี่ยมันผิดก็เห็นมันยิ้มได้เหมือนกันมันถูกก็ยิ้มหัวเราะความถูกได้เหมือนกันมันสุข ก, ก็ยิ้มหัวเราะความสุขได้เหมือนกัน มันสุขก็รู้วันมันกันวันทุกข์ก็รู้มันมันกันอย่างนี้ปฏิบัติธรรมง่ายง่ายแค่าทาตูกมั้ยหลักเดียวเป็นตัวฉเฉลยรู้จุดตัวรู้จึกตั ว, ตวนะภาษามากเลยว่าดูคำว่าดูนี่ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนเลยไม่เหมือนกับคําว่าเป็นคําว่าเป็นเนี่ยโอ้กระทบกระเทือนมากคําว่าดูเนี่ยไม่มีอะไรกระทบเลยเรียบ เพราะว่าเป็นขูกขเป็นทางขาูกขับกระทบกระเทือนเมื่อกระทบกระเทือนก็ห่อนแน่งคอนแคนถ้าดูเนี่ยเรียบมันหลงก็เห็นมันเรียบมันลูกก็เห็นมันลูกมันสูกก็เห็นมันสูกมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์นี่คือสติล้วนล้วนสติล้วนล้วนสติปัฏฐานเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาไปตามไปตามทุกอย่างมันคิดก่ออยไปตามความคิดคิดมีเหตุมีผลเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขก็เป็นตัวเป็นตนเป็นสุขจริงๆเป็นทุกข์กอดเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์เก่งๆอันนั้นสติธรรมดาสติของปุตุชนสติปัฏฐานเป็นสติที่จะทําลายความเป็นตัวเป็นต้น คำว่าเห็นเนี่ยไม่เป็นตัวเป็นตนคำว่าเป็นเนี่ยคือเป็นตัวเป็นตนเข้าใจหรือเปล่าพู้ชาแนไม่ใช่ให้ใช่สมองนะราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยทำลายความเป็นตัวเป็นตนอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกชัดๆเลยว่ากายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ุคพนตัวตนเราเขาอะไรจะเป็นเรื่องของกายไม่ใช่สัตว์ุพพนตัวตนเราเขาเป็นสักแต่ว่า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 ความโศกความทุกข์สติปัฏฐานนี่เฉลี่ยออกเลยเฉลี่ยออกเลยเห็นไหมนะเห็นมันปวดเห็นมันหิวเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันปวดมันเมื่อยเห็นแล้วเฉลี่ยแล้วไหมนะเฉลี่ยแล้วเรียบรงมาสักหน่อยไม่เป็นคลื่นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วภาษาธรรมะเห็นแล้ว เห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วภาษาปัญญากนทัญยะรู้แล้วมันคิดก็รู้แล้วมันโสดก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้วมันหิวก็รู้แล้วมันร้อนก็รู้แล้วมันปวดเันเมื่อยก็รู้แล้วเร่ว่าอัญญสีวัฏโทกรณฑรโยรู้แล้วรู้แล้วนช่ไ่มนะไม่ใช่เป็นนะปฏิบัติธรรม มันจะทําให้เกิดความเรียบง่ายความง่ายมันสร้างเราอยู่หรอกแต่เราไปสร้างความง่ายเป็นเรื่องยากสร้างความเบาให้เป็นเรื่องหนักส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเอาให้ได้จะเอาให้ได้แต่รู้จะเอาอะไรถ้าเอาก็ได้เป่นเดได้อะไรได้ความยากได้ความง่ายได้ความโชคได้ความทุกข์ถ้าถ้าจะดูนกมันก็ไม่มีอะไรนี่แต่เห็นแจ้งไป ได้บทเรียนความทุกข์ก็ได้บทเรียนเป็นปัญญาความสุขก็ได้บทเรียนเป็นปัญญาความหลงก็ได้บทเรียนเป็นความไม่หลงได้ปัญญาภาวะที่ดูเนี่ยนะเริ่มต้นให้ถูกนะการปฏิบัติทำทําสบายๆมันก็เริ่มต้นอยู่แล้วกายานุปัฏฐานนี่เคลื่อนไหวไปมามันจะแสดงนะบทเรียนที่ได้จะกลายนีมันก็มีเหมือนกันมันปวดมันเมื่อยอเห็นมันปวดมันเมื่อย เรียนรู้แล้วรู้แล้วมันปวดรู้แล้วมันเมื่อยรู้แล้วมันสุกรู้แล้วมันทุกข์มันจะเรียนรู้เรื่อยไปมันเป็นแหล่งเรียนรู้มันจะแสดงหลายรสหลายชาติเราก็เห็นเราก็เห็นเราเห็นแล้วความปวดความเมื่อยเห็นชัดเหลือเกินเห็นเมื่อไหร่เห็นอยู่โนนเห็นอยู่สุคโตเวลานั่นเรานั่งอยู่ในหอใจเรานั่งอยู่ในศาลาหน้าเวลานั่นเราเดินอยู่ ใต้ลมม้ยเราเดินเดินอยู่บนทาง เ, าเดินจงกรม tamam. เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วรู้แล้วเวทนามันเป็นอย่างนั้นอ๋อมันสุกเวทนาทุกเวทนาเวลานั่นเราเดินอยู่ต้นขายขี้หมูหลวงพ่อยังคิดได้เวลานั่นเรานั่งอยู่ในกติเวลานั่นเราอยู่มันเห็นข้างเดียวเนาะจบมาตลอดทั้กวันนี้เห็นรูปเห็นนามเห็นแล้วเวลานั่นเดินอยู่ใต้ต้นขายขี้หมูพอมาดูว่าโอ้ การเดินเนี่คือลู่เนาะลู่เนาะโอ้มันคิดไปโน่นมันไม่ใช่นาะไม่ใช่เรามาทำมันนั่นไม่ใช่เรามาเดินคิดนาะเรามาเดินสร้างสติเนาะออกจากบ้านจากเดอนมาไม่ใช่หมาคิดถึงลูกถึงเมียเรามาสร้างสติเนาะเขาบอกเลยโอ้นี่น้อนี่สติน้อโอ้มันคิดไปแล้วกละป๋านเนาะลู่จากลู่นามทันทีออกมาบำเพ็ญทังกิดลู่เอ า, ารรเ ล, ลู่เอาเอาเห็นความคิดเห็นความคิดเห็นความคิด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 ความสุขมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นความสุขคือไม่มีอะไรเข้าใจหรอเปล่านะความสุขคือไม่มีอะไระไม่มีแล้วเออแต่ก่อนเราหลงอ่ะเราหาความสุขความทุกข์เรื่องของกายของใจได้อันนั้นก็เป็นสุขไม่ได้อย่างนั้นจะเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นไปไม่ได้มาบอว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเส้นผมบังภูเขานะการปฏิบัติธรรม ไปหาอะไรมันยุ่งไปหมดเลยสุขมันมีจริงหรือเปล่าทุกข์มันมีจริงหรือเปล่าทุกเพื่อให้ทุกข์หรืมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นในโลกไปนะสุขก็จะให้สุขสุขก็วิ่งหนีสุขก็วิ่งไล่มันก็ไม่ไอวเห็นมันซาบันเห็นมันเห็นมันรู้สึกรู้สึกโอ๊ยเลยปัญญาเห็นสุขเห็นทุกข์นี่แล้วเป็นปัญญาเป็นพระเจ้าว่าเห็นทุกข์เนี่ยเห็นเห็นอันประเสริฐ เห็นของจริงอย่างปเปิดเผฐเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจสเห็นอย่างปเปิดเผฐไม่ใช่เห็นอันอื่นนะถ้าไม่เห็นทุกข์แค่นี้ทุกข์ได้ยังไงถ้าไม่เห็นสุขแค่ น, นี้จะเป็นจะเม็นผู้มีความสุ ข, ขได้งไงเพราะนั้นเรามาสร้างตัวรู้น่ยสร้างตัวรู้สร้างตัวรูวน้นะเนาะพยาเราเนาะ <laughs> ขอเชียให้กำลังใจเจ้พวกเรา ออันเดียวกันแท้ๆพวกเราเนะแต่จะเป็นเพศพระหม้อโลนผมเหลืองก็อันเดียวกันคือความรุวนเดียวกันอันเดียวกันคนคนเดียวกันคนทุกคนเป็นพระพุทธเจา้าตัวจริงอยู่ตอนนั้นความเป็นจริงจุดมหมายปลายทางพุทธผู้ลู่ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมังก็ว่าฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมนต์ดูคนทุกคนเหมือนเป็นพระพุทธเจา้า อยู่ที่ไหนไมีนพานอยู่ที่นั่งเอามันไปนั่นแล้วชีวิตเราเนาะไปหาอะไรมันย่อยากอยู่ที่ไหนนิเนพานที่นั่นแล้วเย็นนะไปร่อนทำไมไปทุบไปตอกองบนอะไรเนาะ